สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาล น, นะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์เป็นวันหยุดเราอยู่ใน20กฎทองคํากฎข้อที่11ครับกฎของการที่อะไรจะต้องมาก่อนและอะไรจะมาทีหลังในเช้าวันนี้เราอยู่ในประเด็นสุดท้ายของกฎข้อนี้ครับกฎข้อนี้ท่านาศาสตราจารย์ดรฟิลิปเทงได้เขียนไว้ยอย่างนี้ครับว่าต้องจำยอมก่อน แล้วจึงชนะทีหลังเพิ่มพีนั้นปรากฏอยู่ในพระ พ, พระเจ้าสองโครินบทที่สองข้อที่14ครับสองโครินบทที่สองข้อที่14โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนําเราเสมอมาโดยพระคริสด้วยความมีใยขอพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนําเราเสมอมา โดยพระคริสต์ด้วยความมีชัยพี่น้องครับถ้าเราอ่านเผิ น, เ, นเราก็จะไม่รู้ว่าเอ๊มันเกี่ยวข้องอะไรกับต้องจำยอมก่อนแล้วจึงชนะทีหลังท่านศาสตราจารย์ด็อรฟิลิปเพงนั้นอธิบายถึงเบื้องหลังพระคำภีข้อนี้ครับเบื้องหลังพระคมภีข้อนี้นั้นมีประวัติแฝงอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าในสมัยโรมัน ในสมัยก่อนครับถ้าทหารโรมันเคลื่อนพลกลับมาจากการรบด้วยความมีชัยหรือด้วยชัยชนะแล้วแล้วก็ผู้บัญชาการสูงสุดหรือแม่ทัพนั้นจะต้องใส่ชุดสีขาวและขี่ม้าตัวใหญ่สีขาวสีขาวนั้นหมายถึงการรบชนะหรือชัยชนะครับเมื่อรบชนะ ใช้ชนะก็มีสันติสุขครับสีขาวก็เป็นตัวแทนของการรบชนะซึ่งหมายความว่าเพ c e หรือสันติสุขแล้วและผู้ที่เดินตามหลังมาสีขาวและแม่ทัพที่ใส่ชุดขาวนั้นก็คือบรรดาพวกฉเฉลยศึกครับประเทศที่พ่ายแพ้สงครามเขาจะต้องเดินตามแม่ทัพมาในขณะที่แม่ทัพนั้นขี่มา้า เฉลยศึกเหล่านี้ครับต้องใส่ชุดสีขาวสีขาวของเฉลี่ยศึกหมายถึงการยอมแพ้ครับขอสงบศึกด้วยขอใหม้มีความสงบพีซกับนั่นคือความหมายของพระกัมพีตอนนี้ซึ่งเป็นเบื้องหลังของภาพที่แม่ทัพใหญ่ ซ, ซึ่งถูกส่งออกไปทำสงครามนั้นได้ชนะศึกชนะสงครามแล้วเดินทางกลับเข้าเมืองมีการต้อนรับมีการโบกต้นฟาร์มมีการที่จะต้องทำร้ายสิ่งหลายอย่างครับเพื่อที่จะเฉลิมฉลองและนี่คือภาพของชัยชนะของแม่ทัพพี่น้องครับท่านอาจารย์เปาโลท่านเป็นอกครทูต และท่านรู้จักธรรมเนียมของชาวโรมันอย่างดีเพราะว่าท่านมีสัญชาติโรมท่านอาศัยเบื้องหลังของเหตุการณ์นี้มาบรรยายครับบรรยายชัยชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระเยซูคริสต์คริสเตียนเราเปรียบเสมือนกับเฉลยศึกใส่ชุดสีขาวที่เดินตามแม่ทัพที่เรายอมที่จะพ่ายแพ้ เรายอมแพ้ครับเราเป็นเฉลยศึกแห่งความรักของพระองค์พระองค์ใช้ความรักชนะพวกเราและพวกเราก็ติดตามพระองค์ไปนี่เป็นภาพของพระกัมภีร์ตอนนี้ครับซึ่งาศาสตราจารย์ด็อเตอร์ฟิลิปเทงนั้นได้ให้ความหมายเอาไว้เราติดตามพระเยซู ผู้ชนะเรานั่นหมายความว่าเราต้องยอมพระองค์ก่อนเราต้องยอมแพ้พระองค์ก่อนเราต้องจำยอมก่อนเพื่อที่เราจะสามารถมาอยู่ที่แผ่นดินของแม่ทัพองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้นี้และเราก็จะได้แบ่งปันเรื่องชัยชนะของพระองค์ต่ อ, ตอไปพี่น้องครับใช่แล้วครับ เมื่อเรายอมเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเราต้องยอมกับพระองค์ก่อนเราต้องยอมรับพระองค์ก่อนเราต้องยอมพ่ายแพ้ก่อนเราต้อง surrender หมายความว่ายอมมอบชีวิตของเราให้กับพระองค์ก่อนขอให้พระเจ้าชนะเราครับแล้วลุเราจึงจะมีชีวิตที่มีชัยชนะเราจึงจะได้ชัยชนะแต่ถ้าหากในทางกลับกันครับเราต่อต้านพระองค์ เราไม่ยอมรับพระองค์ชีวิตเราก็ไม่อาจจะมีชัยชนะได้ครับเหมือนกับถุงมืออ่อนๆถุงมืออ่อนนั้นใส่ในมือที่แข็งแรงทันทีทันใดถุงมือก็มีกำลังและแข็งแรงด้วยนี่แหละครับคือเราต้องยอมกับพระเยซูก่อนแล้วเราจึงจะมีชัยชนะทีหลังเราต้องยอมแพ้ก่อนครับเราต้องยอมจำนวนก่อนครับ แล้วเราจึงจะมีชัยชนะทีหลังพี่น้องครับในพระมภีข้อนี้มีที่น่าสนใจก็คือคําว่าการทรงนำพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าพระเจ้าจะนำเราด้วยความมีชัยเสนอในพระคริตขอบคุณพระเจ้าผู้นำเราเสมอมาโดยพระคริตด้วยความมีชยัย พี่น้องครับพระเจ้านั้นทรงมีพระประสงค์ที่จะนำชีวิตของเราทุกๆกคนผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการทรงนำครับการทรงนำของพระเจ้านั้นมีไว้สำหรับทุกๆคนครับไม่ใช่มีไว้สำหรับพิพเศษหรือที่เราเรียกว่าคริสเตียนพิเศษครับพี่น้องครับและก็ไม่ใช่ทุกคนที่รับรู้ถึงการทรงนำของพระเจ้าอย่างอัตโนมัติ คริสเตียนมากมายแทนที่จะทำตามวิธีของพระเจ้าในเรื่องของการทรงนำแต่เรากลับไปตามวิธีอื่นๆเรามาโนเองบ้างเราทึกทักกันเองบ้างนะครับและลงเอยด้วยปัญหาต่างๆมากมายพี่น้องครับการทรงนำของพระเจ้าจะมาจากที่ประทับของพระองค์ในชีวิตของเรานั่นคือมาจากภายในจิตวิ ญ, ญญาณของเรา พระเจ้าทรงนำเราโดยพยานภายในจิตวิญญาณของเราให้เราดูในพระธรรมมบทที่8ข้อที่16นะครับพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่16การที่เราจะรู้อะไรหรือได้รับการทรงนำของพระเจ้าอย่างไรพระคมภีร์ตอนนี้ได้บอกกับเราว่าพระวิญญาณ น, นั้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราว่า เราเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องครับโปรดไฟงันขั้หนึ่งครับพระวิญญาณนั้นเป็นพยาน ร, ร่วมกับจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องครับเราจะเห็นจากพระบัีข้อนี้ชัดเจนครับว่าพระวิญญาณของพระเจ้านั้นทำงานให้เราได้รู้บางอย่างเพื่อที่เราจะทำบางสิ่งบางอย่างใงนั้นนะครับคือการทรงนาของพระเจ้าพี่น้องครับ ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าหลายครั้งทีเดียวเมื่อเราแสวงหาการทรงนำของพระเจ้าเราเองนั้นบางครั้งก็หลงไปครับเรามักจะจับสถานการณ์แวดล้อมต่างๆมาต่อชิกโซพี่น้องครับแต่เราไม่ได้กลับไปหาพ่อชนะของพระเจ้าและทูลขอการทรงนำจริงๆ พี่น้องครับหลายและยครั้งทีเดียวก่อนที่เราจะตัดสินใจเราเองนั้นก็ไม่ได้ถามพระเจ้าไม่ได้ขอการทรงนำจากพระเจ้าไม่ได้แสวงหาคําตอบของพระองค์ในพระวจนะของพระเจ้าแต่เราโมโนทางเลือกต่างๆของเราขึ้นมาเองนั้นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจมากและเราต้องระมัดระวังครับที่เราจะไม่ทําผิดอย่างนั้นอีกสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําพี่น้องในวันนี้ก็คือว่า โปรอดอย่าลืมว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นและพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์เป็นสองเครื่องมือครับผมขออนุญาตใช้คำว่าเครื่องมือจริงๆแล้วอาจจะไม่เหมาะเพราะเนื่องจากว่าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ไม่ใช่เป็นเครื่องมือของเราแต่ว่าสำหรับเราแล้วทั้งสองประการครับก็คือพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสอง นี้จะเป็นผู้ที่เปิดเผยสำแดงการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตของเราพี่น้องครับการที่พระเจ้าจะส่องสว่างทำให้เรารู้ถึงการทรงนำของพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าอันนี้แน่นอนและก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราอันนี้ก็แน่นอนเพราะฉะนั้นหลายคน ก็ไปพึ่งประสบการณ์ของตัวเองหลายคนก็พึ่งสถานการณ์ที่อยู่รอบข้างแต่ว่าไม่ได้กลับมาถึงเบสิคไม่ได้กลับมาถึงหลักการพื้นฐานคือต้องขอการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และต้องสอดคล้องกับพระกัมภีนั่นแหละครับคือพื้นฐานหลักเลยครับพี่น้อง ในการที่เราเองนั้นจะรู้พระวจนะของพระเจ้าและเราจะต้องทูลขอการส่งสว่างของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้เราจะรู้น้ำพระทัยและการทรงนำของพระองค <BR. S 2> ์ครับพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะมอบชีวิตของเราให้กับพระองค์ให้พระองค์ชนะชีวิตของเราเมื่อเรายอมพระองค์แล้วเรายอมสิโลราบต่อพระองค์แล้วเรายอมแพ้ต่อพระองค์แล้วชีวิตของเราจึงจะมีชยัยชนะ และขอให้เรามอบชีวิตของเราให้หยุดภายใต้การทรงนำของพระเจ้าให้เราอธิษฐานคุยกับพระเจ้าคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์คุยกับพระเยซูและเราฟังเสียงของพระองค์ในพระวจนะของพระเจ้านั่นแหละครับการทรงนำของพระเจ้าเราก็จะรู้ได้ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านครับในการแสวงหาพระองค์ในแต่ละวัน แสวงหาการทรงนำของพระเจ้าในแต่ละวันแต่ละช็อตของชีวิตแต่ละจังหวะของชีวิตของเราครับเพื่อที่เราจะมีประสบการณ์ในการเป็นเึ้ืเองมาความตายและฤทธิเดชของพระองค์อาเมน